พลังทิพโดยพรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยคุณชมรมพลดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยเอกลักษ์เลิศวรลักษ์ขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนาสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงคำนำในการพิมพ์ครั้งแรก หนังสือเรื่องพลังทิพย์เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยมีความมุ่งหมายจะชี้ให้เห็นว่าพลังแห่งความเมตตาที่เกิดจากบุคคลที่ตั้งใจแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีคุณค่าอั น, นิสองอย่างไรและมีความสำคัญยิ่งใหญ่เพียงไรทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นประเทศชาติจะรอดพ้นจากอันตรายและภายพิบัติทั้งปวงได้อย่างแน่นอนถ้าหากคนในประเทศส่วนใหญ่จะพึงแผ่เมตตาให้กับคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอ ซึ่งเรื่องนี้คนทั้งหลายมักจะนึกไม่ถึงว่าอ น, นิสงฆ์แห่งความเมตตานั้นมีคุณค่าถึงเพียงนี้แต่อย่างไรก็ดีคนทั้งหลายที่เลื่อมใสในทางศาสนานั้นทั้งที่ตนเองทำการแผ่เมตตาอยู่เสมอในเวลาจบการสวดมนต์แต่ก็มีน้อยคนมากที่จะเข้าใจถึงเหตุผลและสาระประโยชน์ของการแผ่เมตตาจริงๆส่วนมากก็ทำตามๆกันไปและสักแต่ว่าทาไม่ใช่ทาด้วยความจริงใจ ฉะนั้นผลต่างๆางๆของการแผ่เมตตาจึงไม่ค่อยได้รับกันสมกับที่กล่าวไวในคำภีและอีกประการหนึ่งคนทุกวันนี้มักจะคิดกันแต่ในทางอากุศลหรือในทางทุจริตกันมากมองคนอื่นแต่ในแง่ไม่ดีกันมากและมักจะนิยมเอาอย่างคนชั่วที่ได้ดีส่วนคนดีๆทั้งที่ก็มีอยู่มากแต่คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะนิยมเอาอย่างคนประเภทนี้ ฉะนั้นความชั่วร้ายต่างๆจึงได้มีมากขึ้นโดยลำดับซึ่งแต่หากไม่หาวิธีการที่จะยับยั้งในเรื่องเหล่านี้แล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีแต่ความเดือดร้อนการทุจริตคอร์รัปชันก็จะมีมากขึ้นและในที่สุดประเทศชาติก็ไปไม่รอดอย่าไปหลงไหลและเข้าใจผิดว่าวิธีการต่างๆดังที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั้นจะสามารถยับยั้งความชั่วหรือความทุจริตทั้งหลายได้ ตราบใดที่ยังไม่ได้คิดแก้ไขทางจิตใจปัญหาทุกอย่างก็แก้ไขไม่ได้หนังสือเรื่องพลังทิพย์ที่ได้เขียนขึ้นมานี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเรายังมีวิธีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เป็นวิธีที่สามารถจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่มีอยู่ทุกวันนี้ให้บรรเทาลงได้ และสามารถจะแก้ไขหรือป้องกันมิให้ประเทศชาติต้องประสบกับชะตากรรมอย่างชนิดที่คนทั้งชาติจะต้องเดือดร้อนกันไปทั่วการแผ่เมตตาจะมีผลจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือไม่นั้นจําเป็นจะต้องศึกษาเรื่องพลังทิพย์ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยเหตุนี้จึงต้องอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างพิสดารสาหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องพลังทิพย์แจ่มแจ้งแล้ว เขายอมจะเลื่อมใสในการแผ่เมตตาและมีศรัทธาที่จะพยายามฝึกหัดแผ่เมตตาอยู่เสมอด้วยโลโกโปธรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกอัิญาปัชังสุ ข, ขังโลเกปานภูเตสุสัญญโมการไม่เบียดเบียนคือการสำรวมหรือการระมัดระวังในอันที่จะไม่ทําอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนแกสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นความสุขในโลก หลักธรรมในพุทธศาสนานี้ทุกคนเห็นด้วยว่าถ้าทําได้อย่างนี้โลกเป็นสุบแน่แต่ปัญหามีอยู่ว่าจะทําอย่างไรหรือจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้มีผลเป็นจริงตามนี้หนังสือเล่มนี้คือคําตอบต่อปัญหานี้แต่ก็ขอให้เข้าใจว่านี่เป็นแต่เพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นวิธีทั้งหมดที่จะช่วยให้โลกรอดพ้นจากอันตรายแต่ถ้าไม่ใช่วิธีนี้เลย โล ก, กพลน้นจากภัยพิบัติไม่ได้ฉะนั้นจึงได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก็โดยมีความมุ่งหมายดังที่กล่าวมานี้ลงชื่อพอรรตนสุวรรณ17ธันวาคมพุทธศักราช2525